ไปบุรีลัมย์เทศที่โรงพยาบาลของจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดคนเยอะเหมือนกันแล้วคนใหม่ๆเต็มห้องประชุมเหมือนกันปรเทศสุรินทร์ที่วัดบูรณ์นี้คนก็เยอะมาไกลบางคนน่าสงสารนะมาจากมหาสารคามยะโสธรมาจากนีน่ไม่ใช่ใกล้นั่งรถกันหลายหลชั่วโมง ฟังเทศเสเสร็จสองทุ่มครึ่งกลับอยากจะกลับนะถึงเที่ยงคืนอะถึงเที่ยงคืนกว่าจะถึ ง, ถ ง, ถ ง, ถ ง, ถงมหาสารคามอะไรบ้เขาสนใจกันมากเขาฟังซีดีแปรากฏฟังซีดีแล้วจิตเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะเลยแยกทาดแยกขันธ์ทำได้ภาวนาได้ดีๆนเยอะมากเลย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 โสดาปฏิมักไม่ยอมดับโสดาปฏิผลก็ไม่เกิดโสดาปฏิผลไม่ดับนะสกอาาคามีมักก็ไม่เกิดหรอเกิดไม่ได้เจ้าเก่าไม่ยอมไปจริงจมันเกิดดับนะทั้งหมดนะั้นมันเกิดที่จิตจะเป็นกุศลจะเป็นอกุศลจะเป็นมักเป็นผลเกิดที่จิตงั้นเราเรียนนะถ้าจะเอาให้เร็วๆไม่ต้องไปอ้อมค้อมเรียนเข้ามาที่จิตเลยแต่ต้าเรียนให้เป็น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 ไปแย่งแฟนเขาอะไรแย่งลูกแย่งเมียเขาทำเพราะโลภทำเพราะโกรธมีไหมแก้แค้นจีบแม่มันไม่สําเร็จรอจีบลูกสาวมันให้มันเจ็บใจเล่นอย่างเงี้ยมันทําไปนะผิดศีลไปก็เพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงไปขโมยข้าวของเขาเพราะโลภใช่ไหม <c oughs> ไปขโมยเขาเพื่อกแกล้งเขามีไหมขโมยเพราะโกรธมีไหม มนะีสมัยพุทธกาลแต่พระพุทธเจ้าก่อนๆ น, นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราองค์นี้มีเศรษฐีคนหนึ่งนะเขาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเขาสร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้านะออแค่นับถือมากสร้างกุฏิถวายนี่วันหนึ่งจะเดินไปวัดเกเห็นให้ผู้ชายคนหนึ่งนะมันนอนขี้เกียจอยู่ข้างถนนงานการไม่ทา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 เมราะ้เราค่อยรู้ทันทํากรรมฐานสักงานหนึ่ง another, แล้วค่อยรู้ทันจิตไหมเช่นพุทธโธพุทโธพุทโธนะจิตฟุ้งซ่านไปที่อื่นแลหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่พุทธโธแล้ว เ, เป็นพุทธโธพุทธโธอะไรนัร้นไปหนีไปที่รู้ทันหายใจไปจิตหนีไปรู้ทันทําอะไรไปจิตหนีไปรู้ทันดูท้องพองยุบจิตหนีไปก็รู้ทันนามาพิธาสัมมาระหังอะไรไจิตหนีไปก็รู้ทันทจิตค่อยรู้ทั น, นามมาจิตไปเลยไม่ได้บังคับจิตให้สงบ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 แลคนป ก, กตินะจะหลงท th างใจมากที่สุดคือหลงคิดคิดได้ทั้งวันอ่ะรองลงมาก็หลงดูลองไปก็หลงฟังเอาเลือกอันที่มันหนีมากที่สุดหนีไปคิดแล้วเราหัดพุทโธนะจิตนี้ไปคิดเรารู้หาดหายใจไปจิตนี้ไปคิดเรารู้ดูท้องพองยุบไปจิตนี้ไปคิดเรารู้เดินจงกรมไปจิตนี้ไปคิดเรารู้อะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขนะถ้ามีความสุขได้ความสงบอยู่ละ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 ละเอียดยิบเลยเพราะว่าเท่45นาทีนี่ได้15นาทีได้ครึ่งชั่วโมงเองไม่ต้องยอ่ยอๆ เ, เอาเชิญไปทานข้าว